มือมนุษย์ตอนที่เจ็ดเรื่องการทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติในบทนี้จะบอกให้ทราบต่อไปว่าสมาธิอาจจะมีได้โดยทางธรรมชาติทางหนึ่ง และจากการปฏิบัติตามหลักวิชาโดยเฉพาะอีกทางหนึ่งมีผลอย่างเดียวกันคือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็นำไปเพ่งพิจารณาหรือวิปัสสนาแต่มีข้อควรสังเกตอย่างหนึ่งว่าสมาธิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นมันมักจะพอเหมาะพอสมแก่กำลังของปัญญา ที่จะใช้ทำการพิจารณาส่วนสมาธิที่เกิดจากการฝึกตามหลักวิชาการนั้นมันมักจะเป็นสมาธิที่มากเกินไปหรือเหลือใช้และยังเป็นเหตุให้คนหลงผิดพอใจเพียงแค่สมาธินั้นก็ได้เพราะว่าในขณะที่จิตเป็นสมาธิเต็มที่นั้นย่อมเป็นความสุขความสบายชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความพอใจ จนถึงกับหลงติดหรือหลงคิดว่าเป็นมักเป็นผลโดยเหตุนี้สมาธิที่เป็นไปตามทางธรรมชาติที่พอเหมาะพอสมกับการใช้พิจารณานั้นจึงไม่เสียหลายไม่เสียเปรียบสมาธิตามแบบที่ฝึกตามแนววิธีเทคนิคนักขอเพียงแต่ให้รู้จักประคับประคองทําให้สมาธิเกิดและให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกัน ข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกก็มีเล่าถึงแต่เรื่องการบรรลุมรคผลทุกชั้นตามวิธีธรรมชาติในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองหรือต่อหน้าท่านที่สั่งสอนคนอื่นๆโดยไม่ได้ไปสู่ป่านั่งทำความเพียรอย่างมีพิธีวรีตองกำหนดเพ่งอะไรต่างๆตามอย่างในคำผีที่แต่งกันใหม่ในชั้นหลังๆโดยเฉพาะในกรณี แห่งการบรรลุอรหัตผลของภิกษุปัญจวัคคีหรือฤาษีหนึ่งพันรูปด้วยการนั่งฟังอนัตตลกนณสสูตรและอธิตะปริยายสูตรด้วยแล้วจะยิ่งเห็นว่าไม่มีการพยายามตามหลักวิชาใดาๆเลยแต่เป็นการเห็นแจ้งแทงตลอดตามวิธีของธรรมชาติแท้แท นี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเข้าใจได้ดีว่าสมาธิตามธรรมชาตินั้นย่อมเกิดขึ้นเองในระหว่างที่ทำความพยายามเพื่อจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆให้แจ่มแจ้งและต้องมีอยู่มากในขณะที่มีความเห็นอันแจ่มแจ้งติดแนบแน่นอยู่ในตัวอย่างไม่แยกจากกันได้ทั้งยังเป็นไปได้ตามธรรมชาติในทานองเดียวกันกับตัวอย่างที่ว่า พอเราตั้งใจคิดเลขลงไปเท่านั้นจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาเองพอเราจะยิงปืนจิตก็เป็นสมาธิบังคับให้แน่วแน่ขึ้นมาเองในเวลาเล็งนี่แหละเป็นลักษณะของสมาธิที่เป็นไปเองตามธรรมชาติ ซึ่งตามปกติถูกมองข้ามไปเสียเพราะมีลักษณะดูมันไม่ค่อยจะขลังจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยจะเป็นปาฏิหารเป็นที่น่าอัศจรรย์แต่โดยที่แท้แล้วคนเรารอดตัวมาได้เป็นส่วนใหญ่ก็โดยอำนาจของสมาธิตามธรรมชาตินี้เองแม้การบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหรันต ก็อาศัยสมาธิตามธรรมชาติทำนองนี้เป็นส่วนมากฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้มองข้ามเรื่องของสมาธิที่เป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่เราอาจทำได้ก่อนหรือทำได้อยู่แล้วเป็นส่วนมากควรจะประคับประคองมันให้ถูกวิธี ให้มันเป็นไปด้วยดีถึงที่สุดก็จะมีผลเท่ากันเหมือนกับผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วเป็นส่วนมากซึ่งไม่เคยรู้จักนั่งทมสมาธิแบบใหม่ๆอย่างที่กำลังตื่นตื่นกันอยู่ในขณะนี้เลยทีนี้เราก็มาถึงความลับของธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับลำดับแห่งความรู้สึกต่างๆภายในใจจนกระทั่งเกิดการเห็นแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงต่อโลกหรือต่อขันห่าลำดับแรกได้แก่ปิติและปราโมทหมายถึงความชุ่มชื่นใจหรือความอิ่มเอมใจในทางธรรมการที่เราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแม้การให้ทานซึ่งถือกันว่าเป็นบุญชั้นต้ น, ตน ก็เป็นการทําให้เกิดปิติปราโมทได้ถ้าเป็นถึงขั้นศีลคือมีความประพฤติ ท, ทางกายวาจาไม่ด่างพร้อยจนถึงกับเคารพนับถือตัวเองได้ปิติปราโมทก็มากขึ้นถ้าหากไปถึงขั้นสมาธิจะเห็นได้ว่าในองค์ของสมาธิอันดับแรกที่เรียกว่าปฐมฌานนั้นก็มีปิติอยู่องค์หนึ่งโดยไม่ต้องสงสัย ปิติปราโมทนี้มีอำนาจอยู่ในตัวมันเองอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดความรำงับหรือปัดสธิตามปกติจิตของคนเราไม่ค่อยจะรำงับเพราะว่าจิตตกเป็นทาสของความคิดความนึกจากสิ่งยั่วยวนภายนอกหรือจากความรู้สึกในอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเป็นความฟุ้งอยู่ภายในไม่เป็นความสงบ แต่ถ้าหากมีปิติปราโมทในทางธรรมะมาประจําใจอยู่และมากพอสมควรแล้วความสงบรํางับนั้นจะต้องมีขึ้นจะมีมากหรือน้อยตามอํานาจของปิติปราโมทที่มีมากหรือน้อยเมื่อมีความรํางับแล้วก็ย่อมเกิดอาการที่เรียกว่าสมาธิ คือใจสงบนิ่งและอยู่ในสภาพที่คล่องสะดวกเบาสบายพร้อมที่จะไหวไปตามความต้องการโดยเฉพาะก็เพื่อตัดกิเลสไม่ใช่ทําจิตใจให้นิ่งเงียบตัวแข็งทื่อเป็นก้อนหินอะไรทํหนองนี้ก็หาไม่ร่างกายจะต้องให้มีความรู้สึกอยู่อย่างปกติแต่ว่าจิตสงบเป็นพิเศษเหมาะสมที่จะใช้นึกคิด พิจรารณามีความผ่องใสที่สุดเยือกเย็นที่สุดสงบรำงับที่สุดเรียกว่ากรมมนีโยคือพร้อมที่จะรู้นี่คือลักษณะของสมาธิที่เราต้องการไม่ใช่อยู่ในฌานสมาบัตตัวแข็งทื่อเหมือนตุกตาหินไม่รู้สึกตัวเลย การอยู่ในฌานทำนองนั้นจะพิจารณาอะไรไม่ได้เลยจิตที่ติดฌานจะพิจารณาธรรมไม่ได้มีแต่จะตกลงสู่พวังเสเรื่อยไปไม่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาจัดว่าเป็นอุปสรรคของการทำวิปัสสนาโดยตรงทีเดียวผู้จะพิจารณาธรรมได้จะต้องออกจากฌานแล้วจึงพิจารณาโดยใช้อำนาจของการที่จิตมีสมาธิ ขนาดได้ชาญมาแล้วนั่นเองเป็นเครื่องมือในการทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาตินี้เราไม่ต้องเข้าชาญชนิดที่ทำตัวเองให้แข็งทื่อแต่ว่าต้องการจิตที่สงบเป็นสมาธิที่มีคุณสมบัติกรมมนีโยครบถ้วน พร้อมที่จะรู้แจ้งจนเกิดความรู้ตามที่เป็นจริงต่อโลกทั้งหมดหรือยะถาภูตยานทัศนะโดยอาการตามธรรมชาติทำนองเดียวกันกับผู้รู้แจ้งขณะที่นั่งฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมหรือนำไปคิดพิจารณาในที่เหมาะสมจนรู้แจ้งไม่มีพิธีรีตอง หรือปาฏิหาริย์อันเป็นเรื่องความเห็นผิดเป็นชอบหรือหลงไหลต่างๆแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการเห็นแจ้งอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นพระอรหันต์ไปทันทีก็หาไม่ได้ในบางกรณีอาจจะเกิดความรู้ขั้นต้นๆก็ได้แล้วแต่กาลังของสมาธิอีกเหมือนกัน ในบางกรณีอาจจะไม่เกิดเป็นความรู้ความเห็นตรงตามที่เป็นจริงก็ได้เพราะว่าตนได้ศึกษามาอย่างผิดผิดหรือถูกแวดล้อมอยู่ด้วยความเห็นที่ผิดผิดมากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามความรู้ความแจ่มแจ้งที่เกิดนั้นจะต้องพิเศษกว่าธรรมดาเช่นว่าไสแเ๋วลึกซึ้ง หาความรู้นั้นเป็นไปถูกต้องตามความเป็นจริงคือเป็นไปตามทางของธรรมะแล้วก็ย่อมจะก้าวหน้าไปจนกระทั่งเป็นความรู้ความเห็นในสังขารทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงถ้าเกิดขึ้นเพียงเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เป็นอริยบุคคลชั้นต้นได้หรือถ้าน้อยลงไปอีกก็เพียงแต่เป็นกาลยานชน คือคนธรรมดาที่เป็นชั้นดีคนหนึ่งถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความดีต่างๆที่ได้เคยสร้างสมมาเต็มที่อาจเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่เหตุการณ์แต่ถึงอย่างไรก็ตามในขณะที่จิตเป็นสมาธิตามธรรมชาติ สิ่งที่เรียกว่ายานนทัศนะจะต้องเกิดและจะต้องตรงตามที่เป็นจริงไม่มากก็น้อยเพราะเหตุว่าพุทธบริษัทของเราย่อมเคยได้ยินได้ฟังได้เคยศึกษาเรื่องโลกขันสังขารทั้งหลายด้วยความอยากจะเข้าใจตามที่เป็นจริงมาแล้วเพราะฉะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบเป็นสมาธินั้นจึงไม่มีทางเสียหายเลย ย่อมจะได้ประโยชน์เสมอโดยแน่นอนคำว่ายถาภูตยานทัศนะในที่นี้หมายถึงการรู้การเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอา ไม่มีอะไรที่น่าเป็นไม่ว่าอะไรอะไรไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนว่าของตัวของตนว่าดีว่าชั่วน่ารักหรือน่าชังอย่างนี้เป็นตน้นถ้ามีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในทางพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามแม้เพียงแต่รู้สึกนึกคิดหรือละลึกถึงเท่านั้น ก็ยังถือว่าเป็นความยึดถือในที่นี้ที่ว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นก็มาจากหลักที่ว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือนั่นเองตัวอย่างในเรื่องเอาก็คือการปักใจในทรัพย์สมบัติเงินทองสัตว์สิ่งของอันเป็นที่พอใจต่างๆ การเป็นก็คือการถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสามีภรรยาเป็นคนมั่งมีคนเข็นใจเป็นคนแพ้คนชนะกระทั่งเป็นมนุษย์หรือเป็นตัวเองถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแม้ความเป็นคนนี้ก็ไม่น่าสนุกน่าเอือมระอาเพราะเป็นที่ตั้งของความทุกข์ ถ้าไม่ยึดถือว่าเป็นคนเสียได้ก็จะไม่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าเป็นความไม่น่าเป็นซึ่งมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบของความเป็นชนิดนั้นๆเพราะว่าความเป็นอะไรๆนี้มันต้องทนเป็นทนดำรงอยู่ต้องมีการต่อสู้เพื่อให้ได้เป็น หรือเป็นอยู่ต่อไปอย่างน้อยที่สุดก็คือการต่อสู้ทางใจในการที่จะยึดถือเอาความเป็นอะไรอะไรของตนไว้ให้ได้เมื่อมีตนก็จะต้องมีอะไรเป็นของของตนภายนอกตนออกไปอีกทอดหนึ่งฉะนั้นจึงมีลูกของตนเมียของตน อะไรๆของตนอีกหลายอย่างกระทั่งมีหน้าที่แห่งความเป็นผัวเป็นเมียความเป็นนายเป็นบ่าวความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ของตนขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นความจริงในข้อที่ว่าไม่มีความเป็นชนิดไหนที่จะไม่ต้องอาศัยความดิ้นรนต่อสู้เพื่อดำรงความเป็นนั้นๆไว้ ความลำบากดิ้นรนต่อสู้นั้นก็คือผลของการหลงไหลยึยดถือสิ่งต่างๆด้วยความไม่รู้นั่นเองถ้าไม่ให้เอาไม่ให้เป็นกันแล้วจะอยู่กันได้อย่างไรนี่คงจะเป็นที่สงสัยกันอย่างใหญ่หลวงของผู้ที่ไม่เคยคิด ไม่เคยนึกในเรื่องนี้คำว่าเอาคำว่าเป็นในที่นี้หมายถึงการเอาหรือการเป็นด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปท า, านด้วยความยึดมั่นว่าหน้าเอาหน้าเป็นและใจก็เอาจริงเอาจังเป็นจริงเป็นจังเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหนักใจร้อนใจเจ็บใจ ช้ำใจหรืออย่างน้อยก็เป็นภาวะหนักทางใจนับตั้งแต่แรกไปและตลอดเวลาที่เดียวเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้แล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองจิตไม่ให้ตกไปเป็นาธาตุของความมีความเป็นด้วยอำนาจความยึดติดมีสติปัญญาอยู่เหนือสิ่งต่างๆ เมื่อเรารู้สึกอยู่ว่าโดยที่แท้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาหน้าเป็นหากแต่เรายังไม่สามารถถอนตัวออกไปเสีจากความมีความเป็นนั้นได้เราก็จําต้องมีสติรู้ตัวให้พอเหมาะสมถ้าจะต้องเข้าไปเอาไปเป็นเราก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนคนที่หลับหูหลับตาเข้าไปเอาหรือเข้าไปเป็นอย่างโง่เขลางมงาย ซึ่งผลสุดท้ายก็ตกหลุมตกบ่อความโง่เขลาและอุปทานของตัวเองจนถึงกับต้องฆ่าตัวตายสมมุติตัวอย่างว่าเสือหรืองูร้ายเป็นสิ่งที่ขายได้แพงในเมื่อเราไม่มีทางอื่นจะประกอบอาชีพเราจะต้องเข้าไปจับเสือมาขายอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาอยู่เอง ที่เราจะต้องเข้าไปจับเสือให้ถูกวิธีเราจึงจะได้เสือมาขายและได้เงินมาเลี้ยงชีวิตถ้าผิดวิธีเราก็จะต้องตายเพราะเสือโลกหรือสิ่งทั้งปวงมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็นตัวตนของใคร มันจะเล่นงานบุคคลผู้ที่เข้าไปยึดถือด้วยตัณหาอุปทานนับแต่วาระแรกคือตั้งแต่เมื่ออยากได้อยากเป็นกำลังได้กำลังเป็นและได้แล้วเป็นแล้วตลอดเวลาแห่งการทั้งสามใครเข้าไปยึดถืออย่างหลับหูหลับตาแล้วก็จะมีความทุกข์อย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่เราเห็นปูุชนคนเข่าทั้งหลาย เป็นเป็นกันอยู่โดยทั่วไปในโลกแม้ที่สุดความดีที่เคยใครบูชากันถ้าหากว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับความดีในอาการที่ผิดทางและยึดถือมากเกินไปก็จะได้รับความทุกข์จากความดีนั้นๆเช่นเดียวกัน เว้นไว้แต่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันโดยรู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเองอาจจะมีผู้สงสัยต่อไปว่าถ้าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นแล้วก็จะไม่มีใครประกอบการงานอะไรๆหรือไม่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติสิ่งของที่ตนมีอยู่ได้ ข้อนี้ถ้ามีความเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าเราควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงทำสิ่งต่างๆดีกว่าที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยความมากักมากอยากใหญ่โง่เขลางมงายไม่เข้าใจอะไรเลยใจความสั้นๆก็คือให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยสติปัญญา อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกิเลสตัณหาอุปทานมันจะมีผลมันเป็นคนละอย่างพระอระหันต์ทั้งหลายซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานเลยท่านก็ยังทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่าพวกเราเสียอีก ดูจากคุทธประวัติว่าวันหนึ่งคือหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทําอะไรบ้างก็จะพบว่าท่านมีเวลานอนพักผ่อนเพียงสี่ชั่วโมงนอกนั้นทํางานตลอดหมดพวกเรานั่งพักเล่นเสียวก็มากกว่าสี่ชั่วโมงแล้วนี่ท่านทรงทําไปเพราะอํานาจของอะไรในเมื่อกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้อยากเป็น อยากเอาสิ่งต่างๆก็หมดไปแล้วนั่นท่านทำไปด้วยอำนาจของสติปัญญาบวกกับเมตตาแม้สิ่งที่เป็นไปตามความต้องการของร่างกายตามธรรมชาติเช่นท่านจะต้องไปบินทบาทอาหารฉันเหล่านี้ท่านก็ยังคงทำไปด้วยอำนาจของปัญญา ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นอย่างนั้นเพื่อเอาอย่างนี้แต่มีปัญญาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นกำลังส่งร่างกายให้ออกไปสแสวงหาอาหารหาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในกรณีเจ็บไข้ก็มีปัญญารู้ว่า ควรจะแก้ไขอย่างไรท่านก็แก้ไขเท่าที่ปัญญามีถ้าเป็นมากเกินไปก็จำต้องตายเป็นธรรมดาเพราะว่าท่านมีความขวนขวายน้อยความอยู่หรือความตายไม่มีความหมายสำหรับท่านเลยหรือมันมีค่าเท่ากันนับว่าเป็นความคิดเห็นอันถูกต้องที่สุดสำหรับจะไม่ให้มีความทุกข์เลย ไม่ต้องมีตัวตนเป็นเจ้าของมีแต่สติปัญญานำร่างกายให้เป็นไปตามอำนาจของธรรมชาตินี่เราจะเห็นได้ว่าเพียงอำนาจของปัญญาบริสุทธิ์เมตตาบริสุทธิ์เท่านั้นก็ทำให้พระอรหันต์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกได้ และทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ได้มากกว่าคนที่ยังมีกิเลสตัณหาเสียอีกคนที่มีกิเลสย่อมทำแต่สิ่งที่จะได้อะไรแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวส่วนท่านทำไปด้วยความไม่เห็นแก่ตัวเลยฉะนั้นมันจึงมีผลมากกว่ากันบริสุทธิ์กว่ากันทำหนองนี้ ความอยากเอาอยากเป็นนี้เป็นความโง่อย่างยิ่งชนิดหนึ่งเป็นความหลงผิดไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งไปคว้าเอากงจักรมาเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยสติปัญญาที่รู้ตัวอยู่เสมอว่า ไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นหรือน่าลหลงไหลยึดถือดังกล่าวแล้วจงทำไปให้พอเหมาะพอสมกับที่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีความไม่น่าเอาหรือไม่น่าเป็นอยู่ตามธรรมชาติเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกวิธีและให้พอเหมาะพอสมในเมื่อเรายังต้องเกี่ยวข้องอยู่ ข้อนี้เป็นการทำใจของเราให้สะอาดสว่างสวยัยแจ่มแจ้งสงบเย็นอยู่เสมอแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกหรือสิ่งทั้งปวงด้วยอาการที่จะไม่เป็นพิษเป็นโทษแก่ตัวเราความไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนี้ชาวโลกธรรมดาฟังดูแล้วชวนให้ไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเลื่อมใสแต่ถ้าใครเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันแล้วกลับจะทำให้เกิดความกล้าหาญ ร, ร่าเริงคือมีจิตเป็นนายเป็นอิสระต่อสิ่งทั้งปวงทำให้สามารถเข้าไปหาสิ่งต่างๆด้วยความมั่นใจว่าจะไม่ตกเป็นทาสมันคือไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอำนาจของกิเลส ต, ตัณหาหน้ามืดจนกลายเป็นทาสของมัน คนเรากำลังเอาอะไรอยู่ก็ตามกำลังเป็นอะไรอยู่ก็ตามขอให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังเอาหรือเป็นในสิ่งซึ่งที่แท้แล้วเอาไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่เอาได้จริงเป็นได้จริงตามต้องการของเราเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราอยู่ตลอดเวลา เราเองเข้าไปยึดมั่นด้วยกิเลสตัณหาบ้าๆบอๆของเราเองต่างหากฉะนั้นเราจึงทํากับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกตรงกับที่มันเป็นจริงนี่เพราะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความไม่รู้ตามที่เป็นจริงนั่นเองจึงต้องเกิดความทุกข์ยุ่งยากขึ้นทุกอย่างทุกประการ คนแต่ละคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องก็เพราะมันอยากจะเอาอะไรอยากจะเป็นอะไรเกินขอบเขตเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาของตนเองเสืเรื่อยจึงไม่สามารถดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่เป็นความดีความงามความถูกต้องและความยุติธรรม มูลเหตุแห่งความหายนะของทุกคนมันอยู่ที่การตกเป็นทาสของตันหาเพราะฉะนั้นการรู้จักสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงหรือยะถาภูตญยานทัศนะจึงเป็นใจความสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานี่เป็นทางที่ให้เราเอาตัวรอดกันได้โดยมาก ไม่ว่าในเรื่องผลประโยชน์ทางโลกซึ่งหวังผลเป็นทรัพ์สมบัติชื่อเสียงหรือว่าเพื่อหวังผลประโยชน์ในโลกหน้าเช่นสวรรค์หรือเรื่องที่พ้นจากโลกขึ้นไปคือเรื่องมรรคผลนิพพานก็ตามทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องอาศัยความรู้ความเห็นอันถูกต้องทำนองนี้ทั้งนั้น เราทุกคนจะรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสอยู่บ่อยๆว่าคนเราบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยอย่างอื่นทางรอดของเราอยู่ที่ปัญญาเห็นแจมแจ้งในสิ่งทั้งปวงว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือคือหน้าเอาหนา้าเป็นด้วยการมอบกายถวายชีวิตเลย ที่มีอยู่แล้วที่เป็นอยู่แล้วก็ขอให้เป็นไปตามสมมุติของทางโลกที่สมมุติว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่กันก็เพื่อจะให้รู้จักชื่อรู้จักเสียงรู้จักแบ่งหน้าที่การงานกันเพื่อความสะดวกในสังคมเราอย่าไปหลงยึดถือว่า ตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่เขาสมมุติให้เลยมันจะมีลักษณะเหมือนกับการถูกมอมดังสัตว์เล็กๆเช่นจิ้งรีดเป็นต้นซึ่งเมื่อถูกมอมหน้าถูกทำให้มึนงงแล้วมันก็จะกัดกันเองจนตายคนเรานี่แหละถ้าถูกมอมหรือถูกหลอกมากๆ ก, ก็จะมึนเมา จนทำสิ่งที่ตามปกติมนุษย์ธรรมดาสามัญทำไม่ได้เช่นฆ่ากันเป็นต้นฉะนั้นเราอย่าไปหลงติดสมมุติแต่พึงรู้สึกตัวว่านั่นเป็นเรื่องสมมุติซึ่งเป็นของต้องมีในสังคมเราจะต้องรู้สึกโดยแท้จริงว่ากายกับใจนี่คืออะไร ธรรมชาติที่แท้จริงของมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองส่วนเรานั้นจะต้องดำรงตนอยู่ในลักษณะที่เป็นอิสระอยู่เสมอสำหรับทรัพย์สมบัติหรืออะไรอะไรที่เราจำเป็นจะต้องมี ก็ขอให้เห็นว่าเป็นของสมมุติอีกเหมือนกันจะปล่อยไว้ตามประเพณีที่มีอยู่ว่านี่เป็นของคนนี้นี่บ้านคนนี้นี่นาคนนั้นเป็นต้นกฎหมายคุ้มครองกรรมสิทธิ์ไว้ให้ไม่ใช่เพื่อมาเป็นนายอยู่เหนือใจเราเมื่อเรามีความรู้แจ้งอย่างนี้สิ่งต่างๆก็จะลงไปอยู่เป็นบ่าวเป็นทาสเรา และเราก็อยู่เหนือมันถ้าเรารู้สึกไปในทางมีตัณหาอุปทานจะมีอะไรเป็นอะไรด้วยจิตใจที่ยึดถือเหนียวแน่นแล้วมันจะขึ้นมาอยู่เหนือศีรษะเราแล้วเราก็จะกลับลงไปเป็นบ่าวเป็นทาตอยู่ใต้มันมันกลับกันอยู่อย่างนี้ จึงเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังให้เป็นไปในลักษณะที่เรายังคงเป็นอิสระอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมิฉนั้นแล้วเราเองจะต้องตกอยู่ในสถานะที่น่าสงสารที่สุดเราควรสมเพทตัวของเราเองกันไว้บ้างเมื่อเห็นจริงว่า ไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นอย่างนี้แล้วความเบื่อหน่ายหรือนิพิธาก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นติดตามมาตามส่วนสัตว์ของการเห็นแจ้งนี่หมายความว่ามีการคลอนแคลนสันสะเทือนเกิดขึ้นแล้วในการเข้าไปหลงยึดถือหรือเปรียบเหมือนเมื่อเราต้องตกเป็นทาสเขามานานจนมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้น ก็มีการเคลื่อนไหวไปในทางที่จะต้องเปลื้องตนออกจากความเป็นธาตุนี่เป็นลักษณะของนิพพิธาคือเบื่อหน่ายเกลียดความเป็นธาตุขึ้นมาแล้วนายต่อความที่ตนหลงเข้าไปยึดเอาสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจว่าน่าเอาน่าเป็นนั่นเอง ครั้นพอมีความเบื่อหน่ายแล้วโดยอัตโนมัติตามธรรมชาตินั่นเองย่อมจะมีความจางหรือคลายออกหรือวิราคะเหมือนกับเชือกที่ผูกไว้นั่นถูกแก้ออกหรือเหมือนสีน้ำย้อมผ้าที่ติดแน่นเอาแช่น้ำยาบางอย่างทำให้สีมันหลุดออกความยึดถือที่คลายออก จางออกจากโลกหรือจากสิ่งทั้งปวงที่เคยยึดถือนี้ท่านเรียกว่าวิราคะระยะนี้ถือว่าสำคัญที่สุดแม้จะไม่ใช่ระยะสุดท้ายแต่ก็เป็นระยะที่สำคัญที่สุดของความหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อมีการคลายออกจางออกดังนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลย สิ่งที่เรียกว่าความหลุดจากทุกข์หรือวิมุตติจะต้องมีโดยแน่นอนเมื่อหลุดออกมาได้จากความเป็นาธาตุไม่ต้องเป็นาธาตุของโลกอีกต่อไปก็จะมีอาการบริสุทธิ์หรือวิสุทธิในที่นี้หมายความว่าไม่เศร้าหมอง ก่อนนี้เศร้าหมองทุกทางเพราะการเข้าไปจมเป็นาธาตุของสิ่งทั้งหลายเป็นความเศร้าหมองที่กายวาจาใจหรือจะมองดูกันในแง่ไหนๆก็เป็นเรื่องความเศร้าหมองทั้งนั้นต่อเมื่อหลุดพ้นออกมาจากความเป็นาธาตุในรสอร่อยอร่อยของโลกแล้วจึงจะอยู่ในลักษณะที่บริสุทธิ์คือไม่เศร้าหมองอีกต่อไป เมื่อมีความบริสุทธิ์แท้จริงอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความสงบสันติอันแท้จริงสืบไปเป็นความสงบเย็นจากความวุ่นวายจากการรบกวนหรือจากการต่อสู้ดิ้นรนทนทรมานต่างๆเมื่อปราศจากการเบียดเบียนวุ่นวายเหล่านี้แล้วท่านสรุปเรียกความเป็นอย่างนี้ว่าสันติคือความสงบรำงับ ดับเย็นของสิ่งทั้งปวงมันแทบจะเรียกได้ว่าถึงขั้นสูงสุดหรือขั้นเดียวกันกับนิพพานแท้ที่จริงสันติกับนิพพานนั้นเกือบจะไม่ต้องแยกกันที่แยกกันก็เพื่อจะให้เห็นว่าเมื่อสงบแล้วก็นิพพาน นิพพานแปลว่าไม่มีเครื่องทิมแทงอีกอย่างหนึ่งแปลว่าความดับสนิทไม่มีเหลือฉะนั้นคำว่านิพพานจึงมีความหมายใหม่ๆเป็นสองประการคือดับไม่มีเชื้อเหลือสำหรับจะเกิดมาเป็นความทุกข์อีกต่อไปนี่อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือปราศจากความทิมแทงความเผาลน ปราศจากความผูกพันร้อยรัตตต่างๆทุกอย่างทุกประการรวมความแล้วก็แสดงถึงภาวะที่ปราศจากความทุกโดยสิ้นเชิงนิพพานยังมีความหมายที่มุ่งใช้ต่างๆกันอีกหลายอย่างเช่นหมายถึงความดับของความทุกข์ก็มีหมายถึงความดับของกิเลสอย่างหมดสิ้นก็มีหมายถึงธรรมะ หรือเครื่องมือหรือเขตแดนหรือสภาพอันใดอันหนึ่งที่ทุกทั้งปวงกิเลสทั้งปวงสังขารทั้งปวงดับไปหมดสิ้นก็มีแม้จะมีคำว่านิพพานใช้กันอยู่ในลทัทธิศาสนาหลายๆลายลัทธิก็ตามแต่ความหมายไม่เหมือนกันเลยเช่นลัทธิหนึ่ง ก็ถือเอาความสงบเย็นเพราะการที่ได้ฌานได้สมาบัติว่าเป็นนิพพานบางลทัทธิก็ถือความมัวเมาอยู่ในกรรมมรรมกันอย่างเพียบพร้อมว่าเป็นนิพพานพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธนิพพานในความหมายเช่นนี้ทรงระบุความหมายของพระนิพพานเพียงในลักษณะที่เป็นภาวะอันปราศจากความทิ่มแทงร้อยรัด เผาของกิเลสและความทุกข์เพราะการได้เห็นสภาวะโลกเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงจนหยุดความอยากความยึดติดในสิ่งต่างๆเสียได้ดังนี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ ของการที่เห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงและควรพยายามให้เกิดมีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกล่าวคือทางที่จะเป็นไปเองตามธรรมชาติโดยการประคับประคองให้ดีทำจิตใจให้มีปิติปราโมชนมีการเป็นอยู่ที่บริสุทธิ์ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งกลางวัน และกลางคืนอยู่เสมอจนกระทั่งเกิดคุณธรรมต่างๆตามลำดับที่กล่าวแล้วนี้วิธีหนึ่งส่วนอีกวิธีหนึ่งนั้นเป็นการเร่งรัดด้วยอำนาจจิตบังคับคือไปศึกษาและปฏิบัติตามหลักวิธีของการทำสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอุปนิสัยเหมาะสม ก็อาจก้าวหน้าไปได้เร็วในเมื่อทำถูกวิธีและถูกกับสิ่งแวดล้อมแต่วิปัสสนาตามธรรมชาตินั้นเราทำได้ทุกโอกาสทุกขณะเพียงระวังให้การเป็นอยู่ประจำวันของเราบริสุทธิ์พุดพองจนเกิดความอิ่มใจในทางธรรมะ มีความสงบรำงับแห่งจิตมีความรู้ตามที่เป็นจริงต่อสิ่งทั้งหลายเกิดความเบื่อหน่ายความคลายออกความหลุดออกมีความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองความสงบเย็นถึงภาวะที่ปราศจากความทุกข์อย่างชิมลองน้อยๆเรื่อยๆไปตามธรรมชาติทุกวันทุกเดือน ทุกปีก็จะใกล้ชิดนิพพานอย่างแท้จริงได้มากขึ้นมากขึ้นสรุปความว่าสมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติที่ทำให้บุคคลบรรลุมรรคผลนั้นต้องอาศัยการพิจารณาความจริงในข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอา ไม่มีอะไรที่น่าเป็นอยู่เป็นประจำวันทุกวันผู้หวังจะได้ผลอันนี้จะต้องพยายามทำตนให้เป็นคนสะอาดมีอะไรเป็นที่พอใจตัวจนยกมือไหว้ตัวเองได้มีปิติปราโมทตามทางธรรมะอยู่เสมอไม่ว่าในเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือเวลาพักผ่อน ปิติปราโมทนั่นเองจะทำให้เกิดความแจ่มใสสดชื่นมีใจสงบรำงัดเป็นเหตุให้จิตมีสมรรถภาพในการคิดค้นตามธรรมชาติอยู่อย่างอัตโนมัติเกิดความเห็นจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอยู่เสมอขณะใดาเป็นไปอย่างแรงกล้า จิตก็น่ายคลายความอยากไปเองไม่มีความหลงอยากในสิ่งใดด้วยกิเลสตัณหาอีกต่อไปความทุกข์ซึ่งไม่มีที่ตั้งอาศัยก็สิ้นสุดลงผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วนับว่าเป็นของขวัญที่ธรรมชาติ มีไว้ให้สําหรับคนทุกคนโดยแท้จริงเรียนอะไรถ้าเรียนอย่างปรัชญาที่เทียบกับ คำว่าฟิโลโซฟียิ่งพลาดจากธรรมะที่ควรมีเพราะเหตุที่ยิ่งเรียนไปยิ่งไม่ซึงเพราะเรียนอย่างคำนวณสิ่งไม่มีตัวสมมุติฐานเอาในหัวอย่างครึ้นครึมอุปประมาณ อนุมาณสร้าถงถึมถึงผลออกมางนินเงินนับเอาไปเรียนธรรมะมีวิถีวิทยาศาสตร์มีตัวธรรมที่สามารถเห็นชัดใสไม่คำนวณหากแต่มองลองด้วยใจส่องลงได้ ตามที่อาจฉลาดมองจะส่วนเหตุหรือส่วนผลยนประจักษ์เห็นตระหนักว่าอะไรอย่างไรสนองแก่คำถามแจ้งถนัดชัดทำนองตามที่ต้องปฏิบัติชัดลงไป